เดินตามรอยพระพุทธองค์ผู้สนใจในการปฏิบัติสมาธิภาวนาถ้าหากท่านสงสัยคล้องใจในหลักและวิธีการปฏิบัติจะภาวนาพุทธโธดีไหมยุบหนอพองหนอดีไหมสัมมาอราหังดีไหมถ้าตัดสินใจไม่ลงก็ให้เอาอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือกำหนดรู้ลมอานาปนาสติ ซึ่งเป็นธรรมชาติของร่างกายแล้วก็กำหนดรู้ความคิดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงปฏิบัติมาแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อที่เราควรคิดเมื่อก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านยังไม่เกิดคำว่าพุทโธก็ไม่มีสัมมาอารหังก็ไม่มียุบหนอพองหนอก็ไม่มี พระสามคำนี้เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าโดยตรงเมื่อพระพุทธเจ้าไม่มีคำสามคำนี้ก็ไม่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธองค์เอาอะไรมาท่องมาบน่นมาบริกรรมภาวนาจนใจไม่มีอะไรจะมาท่องพระองค์จึงยึดหลักธรรมชาติที่มีอยู่ในกายในใจของพระองค์สองอย่างคือเริ่มจับลมหายใจเป็นอารมณ์เมื่อขณะที่จิตของพระองค์อยู่กับลมหายใจ พระองค์ก็ปล่อยให้มันอยู่เรื่อยไปแต่ในบางช่วงจิตเกิดความว่างพระองค์ปล่อยให้ว่างแต่บางช่วงจิตมันเกิดความคิดพระองค์ปล่อยให้คิดพระองค์มีพระสติกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างจนกระทั่งปฏิบัติต่อเนื่องกันเกิดพลังทางสมาธิทางสติเข้มแข็งในที่สุด จิตจะไปจับอย่างไดอย่างหนึ่งเหนียวแน่นแต่จิตของพระพุทธเจ้าจับลมหายใจแล้วก็ตามลมหายใจเข้าไปรู้ภายในกายพอทิ้งกายไปแล้วก็ไปตรัสรู้เป็นโลกวิถูผู้รู้แจ้งโลกทีนี้สำหรับนักปฏิบัติในปัจจุบันนี้ถ้าหากสงสัยคล้องใจตามหลักและวิธีการก็ให้กำหนดรู้ลมหายใจถ้าหากว่าใครไม่กาหนดลมหายใจ เวลานั่งสมาธิถ้าขี้เกียดนึกถึงลมหายใจขี้เกียจกำหนดอะไรก็ให้กำหนดสติรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวถ้าจิตอยู่นิ่งๆปล่อยให้นิ่งไปถ้าจิตคิดปล่อยให้คิดเราเอาสติตัวเดียวเท่านั้นตามรู้ทีนี้หลักการปฏิบัติโดยทั่วไปโดยไม่จากัดการเวลาอันนี้เป็นการให้โอกาสแก่ผู้ที่มีธุรกิจยุ่งยาก ซึ่งอาจจะเกี่ยงว่าไม่มีเวลาจับปฏิบัติสมาธิถ้าต้องการจับปฏิบัติสมาธิให้ทำอย่างนี้ให้ท่านพยายามฝึกสติให้รู้อยู่กับการทำการพูดการคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจถ้าเวลาท่านยืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มทำพูดคิดจัดเป็นการกระทำให้ท่านมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าท่านจะทาอะไร เมื่อเวลาท่านพูดก็ให้มีสติรู้อยู่กับการพูดเวลาท่านคิดก็ให้มีสติรู้อยู่กับการคิดเอาอารมณ์ในปัจจุบันนี่เรื่องชีวิตประจำวันในปัจจุบันเป็นอารมณ์จิตถ้าท่านพยายามปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกขณะจิตทุกลมหายใจเวลานอนองลงไปจิตมันคิดอะไรปล่อยให้มันคิดไปแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับ ถ้าปฏิบตัติต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันรับรองว่าได้สมาธิอย่างแน่นอนสมาธิที่ท่านยึดเอาเรื่องชีวิตประจำวันเป็นอารมณ์ในการภาวนาเมื่อได้สมาธิแล้วท่านจะไม่มีเบื่อการเบื่องานท่านจะได้พลังจิตพลังสมาธิพลังสติปัญญาเพื่อรับผิดชอบในธุระหน้าที่การงานของท่านอย่างเต็มภาคภูมิใจ ธุรกิจการงานอันใดที่เคยยุ่งยุ่งมาก่อนเมื่อท่านปฏิบัติสมาธิแบบนี้คล่องตัวเมื่อท่านเผชิญกับเหตุการณ์ที่ยุ่งยุ่งท่านจะรู้สึกว่าไม่ยุ่งเมื่อท่านนึกจะคิดอะไรวิจัยอะไรจิตของท่านจะปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติอันนี้ลองลองไปปฏิบัติดู ถ้าเราจะมาเอาสมาธิเฉพาะเวลานั่งหลับตากำหนดจิตบริกรรมภาวนาอย่างเดียวไม่พอต้องปฏิบัติทุกขณะจิตทุกลมหายใจด้วยการฝึกจิตให้มีสติรู้อยู่กับเรื่องชีวิตประจำวันในปัจจุบันเท่านั้น